พระทั้งหลายจะเทศเป็นหรือไม่ก็ตามต้องให้ธรรมะแก่ชาวบ้านให้ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระสงฆ์กับขรรหัต์นี้อุปโพอันโ ย, นยานิสิตาแปลว่าทั้งสองฝ่ายอาศัยซึ่งกันและกันฝ่ายหนึ่งถวายวัตถุสิ่งของปัจจัยสี่อีกฝ่ายหนึ่งให้ธรรมะตามหลักที่ว่า ทานมีสองอย่างคืออมิสทานกับธรรมทานญาติโยมมีหน้าที่เอื้อบำรุงพระสงฆ์ให้เป็นอยู่ได้ทางกายโดยถวายอามิสทานคือปัจจัยสี่ส่วนพระก็มีหน้าที่ให้ธรรมะแก่ประชาชนทั้งสองฝ่ายต้องให้แก่กันไม่ใช่ให้ฝ่ายเดียวบางทีเราไปเข้าใจผิดนึกว่าพระไม่ต้องให้อะไรหลงนึกหลงคิดว่ายมเป็นฝ่ายถวาย พระก็ต้องให้เหมือนกันฐานมีสองอย่างหน้าที่ของโยมคือถวายอามิ t ปัจจัยเลี้ยงกายของพระหน้าที่ของพระคือให้ธรรมะเลี้ยงใจเลี้ยงปัญญาของประชาชนการให้ธรรมะนั้นมีสองอย่างคือให้โดยพูดกับให้โดยไม่ต้องพูดให้โดยไม่ต้องพูดคือพระปรากฏตัวที่ไหน ก็ทำให้ญาติโยมได้ธรรมะได้ความชื่นใจที่นั่นธรรมะที่จะต้องให้โยมได้เบื้องแรกก็คือได้ปัสสาทะคือได้ความผ่องใสของจิตใจพอพระไปปรากฏตัวที่ไหนถ้าญาติโยมวิ่งหนีก็จบกันแม้แต่ถ้าเขาเห็นพระแล้วระแวงว่าองค์นี้จะมาเอาอะไรอย่างนี้ก็ใจไม่ดีแล้วเมื่อญาติโยมเห็นพระ 1. พระต้องเป็นเครื่องหมายของความไม่มีภัยอันนี้เป็นลักษณะข้อที่หนึ่งเลยเห็นพระที่ไหนหมดภัยที่นั่นสบายใจเลยเช่นโยมไปป่าไปดงกําลังกลัวภัยอันตรายพอเจอพระเท่านั้นโล่งใจชื่นใจสบายโบราณบอกว่าลงนั่งยกมือท่วมหัวเลยหมดแล้วไม่มีภัยอันตรายแล้วพระของเราเป็นสัญลักษณ์ของความไม่มีภัย ต้องรักษาไว้ให้ได้บาลีว่านาหิปภพชิโตปรูปักคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโต 2. พระต้องเป็นที่ตั้งของความเลื่อมใสในวัฒนธรรมไทยเรานั้นชาวบ้านตื่นขึ้นมาแต่เช้าก่อนจะประกอบอาชีพการงานเตรียมตักบาท เห็นพระเดินเป็นแถวลัดทุ่งนามาฟ้าแจ่มใสด้วยแสงแห่งดวงอาทิตย์แดดส่องจีวรสะท้อนเป็นสีทองญาติโยมเห็นพระเดินเป็นแถวมาจิตใจช่ำชื่นสบายมีปีติอิ่มเอิบใจได้ตักบาตรเจริญบุญอันนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจเรียกว่าเป็นสิริมงคลพระเป็นในพิธีต่างๆพอพระปรากฏตัว ก็มีท่าทางสงบสํารวมทำให้ญาติโยมีจิตใจสงบชื่นบานที่ว่ามันนี้เรียกว่าเป็นการให้ธรรมะโดยไม่ต้องพูดทีนี้ถ้าพระรู้ธรรมะมีความสามารถในการสื่อสารก็พูดธรรมะสั่งสอนในเรื่องทานศีลภาวนาให้ชาวบ้านรู้หลักการดําเนินชีวิตเจริญในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วย ถ้าทำอย่างนี้ชาวบ้านก็ได้สองชั้นแต่เวลานี้ให้ธรรมะโดยไม่พูดก็ไม่ค่อยจะมีให้ธรรมะโดยไม่ต้องพูดบางทีก็ให้อย่างอื่นแทนไปเสียเพราะฉะนั้นญาติโยมจึงลำบากยุ่งยากใจไปด้วยแต่อย่าท้อโยมต้องนึกว่านี้คือพระศาสนาของเราต้องช่วยกันแก้ไขและเหตุที่ทำให้เสื่อมอย่างนี้ เป็นเพราะพวกเราเองด้วยเพราะเราอาจจะไปจับจุดผิดแม้แต่บำรุงผิดที่ก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาถ้าเรารู้เข้าใจทำด้วยปัญญามีความไม่ประมาทแล้วมีจิตเมตตาทำด้วยเจตนาเป็นกุศลก็แก้ปัญหาได้ยังไม่สายเกินไปแต่ถ้าโยมไม่ปฏิบัติตามนี้มัวประมาทอยู่ และไม่เรียนรู้ไม่สแสวงปัญญาแถมถ้ามีเจตนาไม่เป็นกุศลอีกด้วยก็สายเสียแล้วไม่ทันหรอกจึงได้ขอให้รีบมาช่วยกันอาตมาตอบเสียยืดยาวเอาละดีแล้วที่มีการเริ่มต้นแล้วขอให้ประสานกันไป